50 languages. หกสิต้องการอยากอดิฉันต้องการเตียง ดิฉันอยากนอนนานูมลกัลูไปยศุตเนที่นี่มีเตียงไหมอิลลีวุ่นดูหาสิเกอเดดิฉันต้องการโคมไฟน้นเกวุ่นดุดีปะอาวสชกว่ากิเดดิฉันอยากอ่านหนังสือ นานุโวดลูบยสุตเตเนที่นี่มีโคมไฟไหมอิลลี่บนดูดีป้าอีเดยดิฉันต้องการโทรศัพท์นันเกวบนดูโทลิฟูนอวสชิวากิเดดิฉันอยากโทรศัพท์น า, านุเทลิฟพทมาดลูบยสุตเตเน ที่นี่มีโทรศัพท์ไหมอย๋ ล, ล่วันดูเทเลโฟอนอีเดยดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปนันาเกวันดูแคมเมอร์าอาวสชิกกวากดเดดิฉันอยากถ่ายรูปนานูจิตรกะรันดูเตเกียลลูเบย์สุดเตเที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม อลลิ๋วหนูวันดูกล้องมาราอิดดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์นันน์เกวนดูคอมพิวเตอร์น่าอวสชกตออดดิฉันอยากส่งอีเมลน้านูวันดูอีเมลกลุ้หิสลูเบ์สุดเตนที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหมอิลล๋วหวนดูคอมพิวเตอร์อิดเ ที่ฉันต้องการปากกาลูกลื่นนั่นอะไวนดูบาลเป็นเบกุี่ฉันอยากเขียนอะไรหน่อยนานุเยนันนบรยลูบยสุเตเนที่นี่มีกระดาษและปากกาไหมอิลลี่วนดูคากดดาาเลมัตตูวนดูบาลเป็นอิเวย์